ช่วงที่พี่ชายบอกให้รออยู่ก่อนนะนเด็กก็รอสักพักไม่ไม่เห็นพี่ชายมาเพอเอิญมีรถไฟมันแล่นผ่านมาจอดที่สถานีก็เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วก็ไปนอนที่นั่นตื่นขึ้นมาทีก็บอกว่าถึงเมืองกาลกัตาแล้วเราไม่รู้จะทำยังไง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 ซึ่งมันก็เขหายากมากมันเหมือนกับงมเข็มในกองฟางเลยอมันยังดีหน่อยนะดีกว่างมเข็มในมหาสมุทรงมเข็มในกองฟางเพราะว่าหมู่บ้านในอินเดียแค่เฉพาะลาบราดอร์กาตารัศมีร้อยกิโลเมตรสองรอยกิโลเมตรหรือสามร้อยกิโเมตรนี่มันเยอะมากนะเป็นพันเป็นหมื่นเลยแต่สุดท้ายนี่เขาก็เริ่ม เห็นเริ่มเริ่มมาเห็นทางแล้วเพราะเขาเขาจำได้ว่าสถานีที่บ้านเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ใช้บอดแสเท่านี้เลยนะคือจังจำได้ว่าหน้าตาสถานีรถไฟที่บ้านเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเ็าใช้ Google เนี่ยหาจนกระทั่งเริ่มเห็นอะไรที่มันคลับคลายคลับคลา อินเดียนี่มันโชคดีอย่างนึ่ง น, นะคือยี่สิบปีก็ยังไม่พัฒนายังไงก็อย่างงั้นนะ่ะถ้าเป็นประเทศอื่นหรือไม่แต่เมืองไทยยี่สบปีคงจะเปลี่ยนไปเยอะนะขนาดสุกโตนี่คนไม่ได้เจอคนมาเมื่อสิบปีที่แล้วพอมาถึงตอนนี้ก็โอ้ห ม, มันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ที่โน่นนี่สถานยานรถไฟนะยี่สิบปีอย่างไรผ่านไปอย่างไรก็เหมือนเดิมเขาก็เลยเริ่มนะ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 แถวนั้นดูคนก็พอจำได้แล้วก็เลยในสุกพาก็าไปพบแม่ถึงแม่คุยกันไม่รู้เรื่องแนละ้วพราะเขาลืมภาษาไปแล้วเ้าลืมเขาไม่รู้เลยซ้ําว่าเขานามสกุลอะไรเขารู้แต่ชื่อถ้าเป็นธรรมดาของเด็กกันนะรู้แต่ชื่อแต่ไม่รู้นามสกุลแล้วก็พอโตขึ้นก็ไม่รู้จักภาษาฮินดี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 อาศัยความช่วยเหลือของคนไทยสองคนเป็นสามีภรรยาตอนนั้นพ่อกอ็ไปด้วยอยู่ด้วยตอนหลังพ่อแม่ตายล้วก็พาศพแม่กลับบ้านในช่วงนั้นมันฉลามมุดมากนะสามีภรรยาคู่นี้ก็ช่วยเหลือทุกอย่างรวมทั้งขับรถพาไปขึ้นเครื่องบิ น, น, นที่สวนนภูมิเพราะว่า ที่ภูเก็ตนี่เครื่องบินมันจราจรมันคับข้างยากมากแล้วคนรับหนักนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้เห็นหน้าผู้มีพระคุณสองคนนี้เลยจำได้แต่ชื่อนะแล้วก็ล่วงอยู่ที่ภูเก็ตแล้วทันเมือถึงจะค้นหาเจอนะเขาก็ใช้วิธีเขียนข้อความลงเฟซบุ๊กตามหาประกาศ แค่นี้แหละนะว่ามีแค่รู้แค่ชื่อชื่อ น, ะนามสกุลก็ไม่รู้แล้วก็ลอยอยู่ที่ภูกเก็ตก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เผยแพร่กันไปต่อๆกันไปแค่วันสองวันฉันเจอแล้วนะรู้แล้วเป็นใครแล้วก็เลยบินมาเพื่อมาขอบคุณึครบสิบปีพอดีนะปีนี้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 เทคงนโลไม่ใช่แค่เฉพาะเฟซบุ๊กนะอย่างอื่นด้วยมันก็เหมือนกันมันก็พาผู้คนในเหินหา่างจากตัวเองที่จริงแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นนะบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวก็เหินห่างกันเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คนที่ใช้เฟซบุ๊กนี่เขก็ไม่ค่อยได้คุยกันกับคนใกล้ตัวเท่าไหร่ เ, เขารู้จักนะผู้คนที่อยู่ไกลออกไป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 ปล่อยไว้ร้ายผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์ก็ว่าได้มีของดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ใเกิดประโยชน์ก็เสียของเกิดมาทั้งทีอย่างน้อยก็น่าจะได้รู้จักตัวเองได้นคนพบตัวเองเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยลืมตัวมันก็ลืมของเลยนะลืมของแล้วก็หาไม่เจอ ผู้คนสมัยนี้จำนวนมากก็ลืมตัวเองแล้วก็หาตัวเองไม่พบนะแล้วพอหาตัวไม่พบแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตมันก็เหมือนก็สวะที่ล่องลอยไปตามกระแสสุดแท้แต่ว่าจะมีสิ่งเราอะไรนะปล่อยชีวิตไปตามกระแสวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ย เดีนะ๋ยวนี้เป็นทุกเพียงแค่ว่าเพื่อนไม่กดไลค์ให้อัปโหลดในหรือเขียนสเตตัสใน Facebook แล้วไม่มีใครกดไลค์โหทุกมากเลยไอไม่กดไลค์นี่ก็หนักเลยนะมันดันมาเขียนคอมเมนต์อีกนะยิ่งแย่เลยนะแล้วเด็กเดี๋ยวนี้นะอาจจะผู้ใหญ่ด้วยก็ได้เนะีนะ่ยชอบนะ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 ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาของผู้คนหรือว่าจะเป็นข้าวของนะทรัพสมบัติชื่อเสียงทั้งที่สุขที่จริงนี่มันอยู่ที่ใจถ้าคนพบตัวเองเนี่ยมันจะมันจะไม่มนะีความรู้สึกทุกทรมานแบบนี้คนพบตัวเองนี่มันมีหลายระดับนะการค้นพบตัวเองหรือการรู้จักตัวเอง ความหมายแรกคือง่ายง่ายสคือเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยใช่เราไม่ใช่คนอื่นอันนี้เป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์แล้วก็สัตว์บางชนิดนะเช่นลิงโลมานี่ยนะถ้าเอากระจกสองหน้านี่มันรู้นะว่าไอ้เงาในกระจกนี่คือมันนะคนเราก็เป็นอย่างนั้นถ้นะารกใหม่ๆยังยังทําไม่ได้นะแต่พอ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 หลายคนเรียนมหาวทลัยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเลยไอ้ที่เรียนคณะนี้ก็เพราะพ่อแม่แนะนําหรือเพราะว่าตกกระดาษพายกระโจนเพื่อนเพื่อ น, นเรียนคณะนี้เราก็เรียนบ้างเพื่อนหาไปเรียนพิเศษเราก็ไปเรียนบ้างแต่ก็ไม่รู้ตัวเองชอบจบมาแล้วนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีอาชีพอะไรเลยพ่อแม่ก็ปวดหัว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 ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเนะอีกคนนึงใช่กว่านะยอมทิ้งผู้หญิงคนเดิมเพื่อไปหาผู้หญิงคนใหม่คนที่ใช่แน่แต่ว่าคบกันไปมีความสุขกันไปสักพักไม่ถึงปีทิ้งก็ไปและบางทีไม่ใช่ทิ้งเฉยๆนะที้งเข้าไปเลยไม่ใช่แล้ะเขาไม่ยอมผู้หญิงไม่ยอมก็สู้กันบางทีตบตีกันไอ้ที่เคยรักดูดดื่มถึงขนาดที่เรายอมทิ้งคนแรกเพื่อมาเอาคนนี้ใช่แน่นอน ตอนนี้ทะเลาะกันตบเตีแล้วเพราะมีคนใหม่มาอย่างที่เป็นข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เฉพาะดาราไม่ใช่เฉพาะคนรวยนคนอื่นก็คนจำนวนมากก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีทางเลือกที่ง่ายอย่างควกคนรวยที่เขาทำอะไรก็ดูไม่ผิดดูดีไปหมดมันก็น่าแปลกนะรักคิดว่าใช่แล้วคนนี้แน่นอน เสร็จแล้วก็ทิ้งไปเพื่อเอาคนใหม่ผ่านไปห้าเดือนหเดือนไม่ใช่ละถีบไปทิ้งไปหาคนใหม่เป็นอย่างงี้ห้าหกครั้งเจดแปดครั้งก็ยังไม่เคยถามตัวเองนะว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเราผิดปกติหรือเปล่าก็ยังวนเวียนอยู่กับวัตจักรแบบนี้แล้วก็ถามีความสุขก็ไม่มีความสุขตกเป็นข่าวให้ผู้คนวิจารณ์ดินทา แต่ก็ไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ามันมีความผิดปกติอะไรในใจเราไหมที่ทำให้เราทำอย่างนี้ถ้าเขาเฉลียวใจเขาจะพะว่าเออมันลึกๆนี่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะไว้เรื่องก็เป็นอย่างนี้เยอะนะนนี้เป็นปัญหาคนยุคนี้เลยก็ว่าได้คือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร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 บางทีก็ยังยึดยังหวงแหนความเศร้ายังอยากจะจมอยู่ในความเศร้านั้นเวลาคนเศร้าๆนี่ก็อยากฟังเพลงอะไรนะเขาอยากฟังเพลงสนุกสนานหรวอเปล่านะก็อยากฟังเพลงคืนความสุขให้ประชาชนไหมอ่ะก็อยากฟังเพลงเศร้าอยากฟังเพลงเศร้าๆเพราะมันมีรสมีชาติตั้งที่ไม่ชอบความเศร้านะแต่ก็ยังรู้สึกอยากจะจมอยู่ในความเศร้านั้นอันนี้เรียกว่า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 รู้จักตัวเองได้ลืมของนี่ยังมีโอกาสเจอได้ในเร็ววันแต่ถ้าลืมตัวนี้อางทีจช้ามากเลยบานะงคนอยู่ทั้งชีวิตนี่ยังไม่รู้เต้องการอะไรได้ฟังเรื่องราวของราชาของอินเดียคนหนึ่งนะนะยิ่งใหญ่มากแต่ยิ่งใหญ่ในทางลายนะ คือเอาหังเซฟเอาหลังเซฟนี่ก็ประมาณสักสองสรอปีที่แล้วพวกเราจะไม่คุ้นชื่อนี้แต่ถ้าถ้าพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงพ่อเขาชาชาานเนี่ยอาจจะพอนึกออกชาช า, านี่เป็นคนที่สร้างทัชมหาหังทัชมาหานี่มันยิ่งใหญ่มากสร้างโดยชาชานเพื่อเป็นอุศรให้กับเมียที่เขารักมุมตัดนะแต่ว่าชาช า, านี่ ไม่ชอบเอารังเซปซึ่งเป็นลูกชายไม่ยออไม่ยกสมบัติให้เอารังเซปก็เลยทํายึดอานาจจากพ่อจับพ่อไปขังเหมือนกับพระเจ้าชาติสตูจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังแล้วก็ต่อไปก็ต่อมาก็ฆ่าพ่อใช่พระชาตัตตูก็ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเอารังเซปก็ฆ่าชาชาานเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่บ้าอำนาจมากแล้วก็เป็นคนคลั่งศาสนา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 ที่ลืมเด็กก็เพราะว่าใจลอยไปนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้พอลงจากรถก็ไม่ตรวจดูรถให้ถี่ถ้วนว่าในแคปนี้มีเด็กหรือเปล่าก็าปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่ในรถรถมันก็ตากแดดถูกแดดเผาสามสี่ชั่วโมงเด็กก็ตายแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเมื่อหลายปีก่อนก็มีนายเทศมนตรีคนนึง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 แล้วก็กลับลงมาที่รถเพื่อกลับบ้านนะกลางทางขณะที่ยังไม่ถึงบ้านก็มองกระจกแล้วอ้าเห็นเด็กเพื่อนบ้านฝากลูกเอาไว้ลืมมาไปส่งรีบลงจากรถไปดูว่าเด็กเป็นยังไงเพราะก็เด็กตายแล้วนะแม่บางคนก็นะเอาลูกใส่รถเพราะว่าไม่มีใครดูแลลูก แล้วตัวเองก็ต้องไปซื้อของก็เอาลูกเอาลูกที่ใส่รถเบาะหลังแล้วตัวเองก็ไปห้างสรรพสินค้าไปจอดเอาไว้นะตรงลานโล่งแล้วก็รีบลงไปเพื่อที่ไปซื้อของมีเมนูมีรายจ่ายมีสิ่งต้องซื้อต้องซื้อเยอะมากใจนี้หมกมุ่นอยู่กับการที่ซื้อของลืมลูกเอาไว้ข้างข้างหลังรถเบาะหลัง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 สามารถจะใช้ชื่ิงเราให้เกิดประโยชน์ทำให้พบความสุขทำให้เราสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้มากมายแล้วก็พอสมควรแก่เวลาละอ่ะ